พวกเราทุกทุกท่านได้มาบาเพ็ญตนบาเพ็ญกุศลมาสั่งสมบัลมีเข้าสู่จิตใจของเราวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระขึ้นส5บห้า่ำเดือนเก้าปี48ปเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่ง ทุกวันพระพวกเราจะมีการปฏิบัติธรรมไหวพระจากนั้นก็ฟังสัมโมนิกถาบ้างบางครั้งเฉพาะการจากนั้นก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์จากนั้นก็นั่งฟังนั่งปฏิบัติจิตตะภาวนาของตนเองเราทำมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ผู้ที่มาทีหลังก็ได้มาพบมาเจอมาเห็นแต่พวกที่มาก่อนแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยบำเพ็ญกุศลไปเรื่อยแต่ว่าถึงยังไงข้อตามที่ปฏิบัติมาพวกเราปฏิบัติมานมนานก็อยากจะให้ทบทวนกันกลองไตรตรองในการกระทําของพวกเรานะั่นแะว่าการกระทําของเราที่ผ่านมา นมนานผลออกมาเป็นยังไงเป็นที่พึงพอใจไหมไม่ใช่ว่าทำทาไปเรื่อยๆแล้วผลเราไม่ได้ทบทวนเราไม่ได้ไตรตรองอนาตมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเหมือนกับเราทำมาค้าขายก็ต้องมีการทบทวนเบื้องหลังว่าการปฏิบัติของเราด้วยการทามาค้าขายของเราเนี่ย มันขาดทุนกำไรอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันนะอยากจะให้พวกเราภาวนาเนี่ยให้ทบทวนนะนานๆกระทบทวนทีหนึ่งว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นยังไงไม่ใช่ว่าทไปิติศักวัฒนเป็นวันๆเป็นครัง้งๆเป็นคราวๆไปอยากจะให้พวกเราตรวจตราดูว่าในขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเรากำหนดอะไรเป็นหลัก กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักใช่ไห ม, ามากำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วเป็นยังไงใจของเราเข้าสู่ความสงบดีไหมหรือว่าเราก่อนที่จะนั่งภาวนาเราให้นับกระดูกตัวเองก่อนตั้งแต่กระโหลกศีรษะนับไปเรื่อยๆโครงกระดูกคอกระดูกแขน อ, อ, อันนี้ก็เป็นกรรมฐานกรรมฐาน พวกเราอีกเหมือนกันตรอมจิตให้เข้าสู่ความสงบได้พวกพวกเรานั่งอยู่เนี่ยมีโครงกระดูกเป็นโครงสร้างทั้งนั้นน่ะจะปฏิเสธไม่ได้ทึ้งจะพูดหรือไม่พูดทึงจะคิดหรือไม่คิดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าท่าน้เห็นตามความเป็นจริงเป็นจริงอย่างไรคิดอย่างนั้นเป็นจริงยังไงพูดอย่างนั้นเป็นจริงไงค้นคว้าอย่างนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงมันเป็นจริงอย่างที่ พูดเพราะคนเรามีโครงสร้างก็คือกระดูกเพราะนั้นก่อนที่เราจะภาวนาเราจะนับกระดูกตัวเองก็ได้ก็ตั้งแต่กระโหลกศีษะมีกี่ซี่มีกี่อย่างตลอดถึงขากรรไกรฟันของเรามีกี่ซี่จากนั้นก็นไล่ลงมาถึงคอถึงแขนถึงชี้โครงสันหลังกระดูกสันหลังไล่ลงไปจนถึงกระดูกฝ่าเท้ า, ากระดูก ไกล้ขึ้นมากระดูกขากระดุกที่โครงกระดุกสันหลังกระดุกแขนกระดุกฝ่ามือกำหนดดูช้าๆก่อนที่เราจะกำหนดลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็ให้สติตามดูอาการของเราตามดูร่างกายของเราทุกส่วนให้นับไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยดูอ่า ให้ดูแต่กระดูกไม่ให้เห็นอย่างอื่นให้มองแต่กระดูกอย่างเดียวจากนั้นพอนะก็กำหนดลมหายใจเข้าแล้วหายใจเข้าหายใจออกเป็นยังไงให้เราทบทวนดูจิตใจของเราสงบดีไหมมันปลุงฟงสานไหมถ้ามันปรุงฟงสานเอาหาวิธีการใหมอ่อีกเอาจนมันจิตสงบให้ได้พยายามตามจิตสงบให้ได้ กำหนดดูให้จิตสงบให้ได้บริกรรมพุทธเข้าโทออกพุทธเท่าโทออกพุทโทพุทโ ท, โ ท, โทมันไปเผลอแวบไปเอาดึงกลับคืนมามันเปิดไปดึงไปที่ไหนดึงกลับคืนม า, มนนหนนมาให้มันอยู่หลายครั้งต่อหลายหนถ้าว่าเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นพยายามตั้งสติอยู่เสมอสติความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัว ให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเรานึกคิดเรื่องอะไรอีกสักวันหนึ่งคงไม่เหลือวิสัยจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้แล้วเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้จะกบเป็นหนึ่งแล้วนะเราจะรู้ได้ว่าตัวเองเป็นยังไงร่างกายเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงการเคลื่อนไหวของใจของเราแต่ละครั้งมันเป็นยังไง เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้แล้วนั่นแหละเทนี่นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นการเป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันเมื่อจิตสงบแล้วเป็นพิจารณาอันไหนก็เป็นเรื่องเป็นลาวขึ้นมาเห็นชัดเจนด้วยปัญญาจากนั้นก็ถอดถอนอัตตาตัวตนไม่ยึดมั่นถือมั่นแบบนี้พยายามดูใจของตัวเองแบบนีเ้เข้ามาถึงใจแล้วเทนี่ ที่แรกก็พิจารณากายซะก่อนพิจารณาหยาบซะก่อนถ้าเราจะพิจารณาใจทีเดียวมันจับไม่ได้ถ้าพิจารณากายซะก่อนเมื่อกายจับกายอยู่แล้วจับลมอยู่แล้วตอนนี้เอาสติจับจิตจิตใจเราคิดเรื่องอะไรจนเข้าไปถึงตัวผู้รู้คือใจของเรามันคิดเรื่องอะไรมันก็ไม่มีอะไรมันดุริศดุดิ คิดดีคิดชั่วใจใจเศร้าหมองผ่องใสมันก็อยู่ในกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอั ป, ปยากตาธรรมะมันก็สามอย่างกุศลธรรมะจิตที่เป็นกุศลจิตใจที่ผ่องใสอกากุศลธรรมะจิตที่เป็นอากุศลจิตที่เศร้าหมองอัพยาคตาธรรมะจิตเป็นกลางๆงจิตไม่เศร้าหมอง ถ้าจิตไม่ผ่องใสแต่มันน้อยมากโดยมากเป็นกุศล า, ากุศลานะมากกว่าเพราะฉะนั้นให้มองเข้าไปดูจุดนี้น่ะเอาเสติจะดูให้ดีดูใจตัวเนี้ยอจิตใจมันเคลื่อนไหวอใจเปนจะไปเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกมันอยู่ในใจของเราเนี่ยถ้าว่าจิตใจเศร้าหมองกับนั่นแหล ะ, ะเป็นนรกนนจิตใจผ่องใสก็เป็นสวรรค์ะ แต่ว่าทั้งสองอย่างทั้งสองเงินมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหมือนกันนะพยายามดูให้ดีจุดนี้กําหนดดูให้ดีดูใจให้ดีแต่อันดับแรกเราต้องตามซะก่อนตามข้างนอกซะก่อนตามรอยโคอย่างที่หลวงตาพูดนั่นนะตามไปตามไปตามไปแต่ไปพอไปเห็นโคนเออเนี่ยเรื่องราวต่างๆมันออกมาจากจุดนี้คือใจถ้าดูใจท่าเนี่ยนั่นแหะ ต้องอสติไม่ใช่สติธรรมดานะบัณ น, นี้นะมหาสติมหาปัญญานะอะไรงี้จึงจะจับมันอยู่ได้จะรู้ได้จะจับใจดูได้เพราะนั้นพวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายนะถึงจะปฏิบัติไม่ได้ก็ให้ฟังเอาไว้มันเป็นลักษณะอย่างนี้แหละอันดับแรกก็คือให้พิจารณากายซะก่อนอันดับแรกดับแรกสูดก็คือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก่อนทำจิตให้สงบทาจิตให้เป็นหนึ่งก่อน อันนี้เราว่าสมถทหรือสมาธิสมัท tha ก็ใช่สมาธิก็ใช่คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะสมถะกับสมาธินะและวิปัสสนาเนี่ยคือนําใจเอามาคิดนํามาคิดนํามาพิจารณานาํามาปรปับปรุงนํามาคุยเคี่ยขุดค้นดูกายให้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นก็ขุดค้นถึงใจที่มันตัวมันนึกคิดตัวการใหญ่ ที่มันมาสั่งกายออกมาออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยมันออกมาจากไหนจากนั้นเราก็จะ ไ, ไปหาต้นตอของมันนะแต่เนีก็คือใจนะพยายามดูใจทานดูใจเด็จแล้วดูนานๆเข้าไปมันเบอร์เอากลับมาหากายอีกมาลับมีดอีกเม่อกี้มาลับมีดอพอรับมีร พอมันคมกันแล้วกระยับเข้าไปหาดูใจอีกจนกว่าที่จะนอกกิเลสภายในใจได้เมื่อไหรเมื่อนั้นแหละทางวันเรายังกาลังยังไม่พอกับกิเลสนกของเร า, เาถอยกลับมาก่อนมาพิจารณากายอกีกให้เห็นตามความเป็นจริงอกีกเพราะว่าใจตัวนี้กิเลสตัวนี้มันออกมาทางกายเลยถ้ามันไม่หลงกายแล้วมันจะไม่หลงอย่างอื่นเพราะมันรู้แล้วที่นี่เอาเราเอาธรรมะเขาา้าบางมันจะหลงได้ยังไงกาย กายของเรามันเป็นของอสุภะปฏิกูลอยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วมันไม่นานแล้วอ่าต่างคนก็ต่างตายต่างคนก็ต่างไปเราจะไปลุ่มหลงอะไรมากมายกับกายอันนี้เมื่อเพิจารณากายเสร็จแล้วเอย้อนเข้าไปดูใจอีกคุยเขียกขุดค้นที่ใจอีกดูที่ใจอีกจนเกิดความรู้เท่ารู้ทันเกิดความเบื่อหน่ายครไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งะ เราต้องดูนะพิธีดูดูอย่างนี้นะขยับไปขยับมาทําเป็นสัญญาสังขารเอากลับมาหาพิจารณาร่างกายอีกทบทวนอยู่อย่างงั้นนะอีกสักวันหนึ่งมันจะตรงลงล็อกเอกเหมือนกันแต่มันจะต้องนอ ก, กิเลิภายในใจของเราลงได้ทีเดียวนะอีกสักวันหนึ่งถ้าเรามีความพยายามมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจจริงอยู่ ดันั้นวันนี้ก็ให้พวกเราตั้งอกตั้งใจนะนั่งภาวนาพยายามทำจิตให้สงบกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละเป็นหลักขัดสมาธิเสร็จแล้วขบหนมมือแล้ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์พุทธโธธมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงอ น, นึกในใจว่าข้าพเจ้าจะไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกจะพยายามให้ใจอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดในขณะที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิขณะนี้นะ จากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องส่งไปทางอื่นนะสิกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทอ่าอย่าไปแต่งลมนะอย่าไปสื่อลมหายใจเข้าแรงให้หายใจให้หายใจตามปกติทําใจให้สบายๆให้รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นแหละจบนะวิธีการนั่งภาวนาเราจะนั่งที่ไหนก็ได้จะนั่งในบ้านในเรือนในรถในลาในที่ไหนก็ได้ทั้งนั้น่ะ เพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายมันไม่เลือกสถานที่พรการนั่งภาวนาเราจะไปเลือกสถานที่ได้ยังไงเราก็นั่งไปเรื่อยของเราวันไหนช่วงไหนมันว่างก่อนนั่งภาวนาไปเรื่อยเราจะไปหานั่งคัดสม า, าธรรมาาิก็ได้นั่งหลับตาธรรมดานั่งเก้าอี้ก็ได้เราจะนั่งที่ไหนก็ได้นั่งหลับตาเหมือนกับนอนหลับแต่เราไม่ได้หลับแต่ใจของเรานี่ดูรู้ตนเองอยู่เสมอนี่แหละพิธีการภาวนานะ ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ยุ่งเหยิงอะไรยืนเดินนั่งนอนอริยบทสี่ได้ทั้งนั้นเว้นเสียต่นอนหลับถ้านอนหลับนะหมดสิทธิ์หมดโอกาสเพราะมันหลับไปแล้วมันเผลอสติไปแล้วให้มันหลับไปซะพอมีสติขึ้นมาเอากําหนดต่ออีกดูใจต่ออีกดูกายต่ออีกนะี่แหละอริยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นแหละเราจะไป คิดว่าโอกาสนั้นโอกาสนี้เราค่อยนั่งภาวนาเราจะไปหาโอกาสอย่างนั้นมีทุกโอกาสนั่นแหละพยายามทำให้สม่าเสมอการภาวนาอีกสักวันหนึ่งเราจะเห็นผลจิตข้าใจของเราก็จะรู้ได้ด้วยตวนเองเออทาไมตะก่อนเราไม่เป็นอย่างนี้แต่บัดนี้ใจของเราคุ้นเชื่องเข้ามาเห็นใจตัวเองจิตใจของเราสงบเยือกเย็นขึ้นม า, ม า, มากเล ย, ยเราจะเห็นเราจะรู้ได้ด้วยตวนเอง เฉพาะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปัจจัตตังเผู้ปฏิบัติรู้ได้เฉพาะตนนะ